บุ Book 75. 75. ๊กทู75เหตุผลบางประการทำไมคุณไม่มาคะอากาศแย่มาก ณดวารีตะคุยเดินเนี่ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากยานิปริดูบนณดวารีเวลเมเดินเนี่ยทำไมเขาถึงไม่มาคะชั ม, มุยนิปริดะเขาไม่ได้รับเชิญยนิซาปรูชนิเขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ ยุ่นบยนนี่จะพทำไมคุณไม่มาคะจำุิี่พริดิฉันไม่มีเวลายัม่ยชดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลายันยพริตุไมชัมุทำไมคุณไม่อยู่ต่อละคะ ч ม м у т น не з а с т а н е ш ์ซดิฉันยังต้องทำงานค่ะ мнетре รึเบิษช์จะประท้วดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ я не застануся бо м บุมยึดรึเบิษช์ปร а ท้ทำไมคุณจะไปแล้วละ่ะคะฉมูฟูคดิฉันเหนื่อยค่ะ ยาสตาดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะยาซิฮวาทำไมคุณจะไปแล้วละ่ะคะชัมูดึกแล้วค่ะโอจพซนัดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ